ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธหนูเนียมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลศรีวิชัยให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรมการลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับชุมชนเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบภายใต้นโยบาย1คณะ1ชุมชนเข้มแข็งเพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยอาศัยองค์กรความรู้ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเกิดการบูรณาการทรัพยากรการจัดการหน่วยงานเครือข่ายและมุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อสังคมนอกจากนั้นได้รับเกียรติจาก12คณะและ3วิทยาลายัยร ร่วมการลงนาในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ15ชุมชนณนะห้องประชุมศรีวิศวะชั้น3อาคารศรีวิศววิทยาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรมทางหลวงชนบทเผยการก่อสร้างขยาย4ี่เลนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข231สาท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีระยะทางกว่า9กิโลเมตรงบประมาณ231ล้านบาท คืบหน้ากว่า90เปอร์เซ็นต์แล้วนายพิศักดิ์จิตวิรยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือทอชอเปิดเผยว่าทอชอได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลขสองาท่าอากาศายานนานานชาติอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระยะทางรวม 9.077 กิโลเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น2 3ง8 8 0ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคมเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานีแก้ไขปัญหาการจราจรการขนส่งเข้าสู่ท่าอากาศยานานานาชาติอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันมีปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นตลอดจนเพื่อสนับสนุนนโยบายจังหวัดในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ4เกมครั้งที่30ในปี2568อีกด้วยโดยปัจจุบันผลงานมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 90% เอร์เซ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรงานตีเส้นจาราจรงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและงานปลูกไม้ประดับบริเวณเกาะกลางคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2561เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนใช้บริการในช่วงปีใหม่2562รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ